การปฏิบัติธรรมหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลึกลับระดับซับซ้อนเป็นเรื่องยากที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเป็นนึกแต่รูปแบบเช่นนั่งหลับตาอยู่นิ่งๆหรือว่าเดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือว่ายกมือสร้างจังหวะ หรือรูปแบบอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมมันมีความหมายที่กว้างกันนั้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะผูกติดอยู่กับวิธีการที่ยิงมันก็เป็นสิ่งที่กลมเกลืนกับชีวิตประจำวันนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านมีเป็นเจ้าสำนักที่ประเทศจีนเมื่อหลายร้อยปีก่อน ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาปฏิบัติกับท่านมากมายวันหนึ่งก็มีพระใหม่นะมากราบท่านแล้วก็มาแนะนํำตัวว่าเนี่ยผมเป็นพระใหม่ที่พึ่งมาวัดมาขอหลวงพ่อได้ช่วยแนะนําการปฏิบัติ ด, ด้วยหลวงพ่อท่านก็เลยถามว่าเนี่ยเจอกินข้าวมาหรื อ, อยังผมทานมาแล้วครับเอองั้นก็ไปล้างจานนะ เท่านี้แหละนะพระหมายนั้นก็สว่างว่าบเลยสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยได้พูดกับพระหมายนั้นเนี่ยที่จริงก็คือคำแนะนำนะสาหรับการปฏิบัติธรรมถ้า ก, กินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันคืออันนี้แหละหรือมันแทรกซึมอยู่ในการทำหน้าที่นะ ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดกวาดพื้นทำให้มันถูกต้องนะกินข้าวเสร็จก็ล้างจานอันนี้ก็คือธรรมะเหมือนกันเราจะเรียกว่าเป็นการทำกิจก็ได้แต่แน่นอนน ะ, ะมันไม่ใช่แค่ทำกิจอย่างเดียวนะมันก็ต้องมีการทำจิตควบคู่กันไปด้วย รวางกินข้าวก็กินอย่างมีสติล้างจานก็ล้างอย่างมีสตินะคนสองคนทำเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะคนหนึ่งทำด้วยใจที่ลอยกินข้าวใจก็ลอยเผลอๆกินแล้วไม่ล้างจานหรือถึงล้างจานก็ล้างจานแบบใจไม่อยู่กับเนืน้อ ก, กับตัวใจลอย คนหนึ่งล้างจานก็ล้างจานอย่างมีสติเช่นเดียวกันเวลากินข้าวกิกนอย่างมีสติด้วยความสึกตัว น, นี่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วล่ะถ้เวลาพ่อแม่เนี่ยมาถามหรือมีความสงสัยว่าทํายังไงจะให้ลูกมีธรรมะหรือว่าจะแนะนำลูกให้ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ก็บอกเข้าไปเลยนะกินข้าวเสร็จก็ต้องล้างจาน หรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนแต่ให้ทำด้วยสติทำด้วยความรู้สึกตัวนี่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วแลถ้าวางใจถูกนะมันก็เกิดปัญญาสว่างว่างได้เหมือนกันนะอย่างพระหมายรูปนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมก็มีความละเอียดนะอยู่ในอยู่ในอยียบทนะอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำกิจนะ มีพระรูปหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเรียนมาปฏิบัติมาจนกระทั่งใครๆยกย่องว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าพันศามากวันหนึ่งก็ไปกราบไปเยี่ยมไปคาราวะอาจารย์ท่านหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นพระจีนเหมือนกันชื่อนานอินซึ่งก็เป็น พระที่มีคนนับถือมากวันนั้นฝนตกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พระที่เป็นอาการตุกกะก็เลยถือร่มมาด้วยพอมาถึงสำนักก็ถอดรองเท้าแล้วก็วางร่มไว้ตรงที่ประตูแล้วก็เข้าไปแนะนำตัวกับท่านนานอิน ถ้ก็ทาถามก็มีความภาคภูมิใจนะว่าเนี่ยเราก็มีพันธามากเราผ่านการปฏิบัติมาเยอะจะมาสนทนาทำกับอาจารย์สักหน่อยอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านมาที่นี่เนี่ยก็คงจะกลางร่มมาด้วยแล้วก็คงจะวางร่มนะ ไว้ที่ข้างรองเท้านะอยากจะทราบว่าท่านวางร่มไว้ตรงข้างซ้ายหรือข้างขวาของรองเท้าแปกว่าภาคดาุกะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ว่าวางร่มไว้ตรงไหนซ้ายหรือขวาของรองเท้าก็เลยยอมแพ้เลยนะมอบตัวเป็นศิษย์ ของอาจารย์หนานอินแล้วก็อยู่ปฏิบัติกับท่านไม่ต้องมาสนไม่ต้องมาสนทนาธรรมแล้วเลิกความที่จะสนทนาธรรมมาขอฝึกเป็นสิทธิ์จนกระทัง่งในสุดก็ได้บรรลุธรรมในการวางร่มไว้ข้างรองเท้าเนี่ยหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะ มันเป็นเหตุการณ์ที่แสนจะธรรมดาเหลือเกินแต่เพราะมันธรรมดานี่แหละนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะหรือจำไม่ได้ว่าวางร่วมไว้ตรงไหนผู้ที่เป็นอาจารย์ทางธรรมเนี่ยนะถ้าว่าคิดจะสอนใครเนี่ยอย่างน้อยนี่ก็ก็ต้องมีสตินะในทุกอรียบบทแม้กระทั่งใน อิเลียบทเล็กๆ น, น้อยๆเช่นถอดรองเท้าวางร่มไว้สาหรับคนส่วนใหญ่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าสาหรับผู้ที่ฝ่ายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยในการมีสติรู้นะในทุกอิเลียบทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะแล่สหรับผู้ที่มีสตินะมีความรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ย มันไม่ยากที่จะตอบนะว่าวางร่มไว้ตรงไหนนะข้างซ้ายหรือข้างขวาของรองเท้าแต่คนทั่วไปก็จําไม่ได้หรอกเพราะว่าระหว่างที่ถอดรองเท้าระหว่างที่วางร่มเนี่ยใจลอยนะใจลอยนะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคิดว่าจะไปสนทนากับอาจารย์เรื่องอะไรนะจะคุยเรื่องไหน อันนี้เรือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะจริงๆการจรจำสติมันก็ง่ายๆนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นระหว่างที่ตัวอยู่ที่หน้าประตูเนี่ยใจอยู่ที่หน้าประตูไม่ใช่นี่ไปถึงไหนตอนไหนแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะวางรองเท้าหรือวางลมก็ไม่ถึงเวลาจันรนึกขึ้นมาก็นึกไม่ออกอันนี้ก็เป็น เหุ้ผลเดียวกัที่หลายคนเนี่ยหาโทรศัพท์ไม่เจอหาแว่นไม่เจอหรือว่าหากุญแจมไม่เจอ ท, ทั้งที่เพิ่งวางเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองนะทำไมหาไม่เจอเพิ่นึกไม่ออกว่าวางตรงไหนทําไมนึกไม่ออกเนื่เพราะว่าไอ้ตอนวางเนี่ยใจยมันลอยไม่มีสติ ถ้าว่ามีสติเนี่ยเวลาวางของเนี่ยก็ก็รู้ว่าวางไว้ตรงไหนแล้วเมื่อรู้ว่าวางตรงไหนถึงเวลาจะใช้ก็นึกออกว่าวางไว้ตรงนั้นถึงเวลาจะหาถึงเวลาจะใช้มันก็มันก็รวดเร็วไม่เสียเวลาอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะที่หลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกหรือนึกไม่ถึงนะว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมคืออะไ น, นี้แหละ เวลาจะวางของนะก็มีสติรู้ตัวนะไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะไม่ใช่แค่กุญแจแต่แม้จะเป็นแว่นตาหรือปากกานี่ก็ก็รู้นะเช่นเดียวกันนะเวลาจะถอดรองเท้าวางลมไว้จิไหนก็รู้รู้เพราะว่าตอนที่ทาเนี่ยมันรู้ตัว อันนี้เราทำจิตนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันทำได้นะหาว่าเราใช้ชื่อเหละเมียดละใหมในแต่ละขณะในแต่และอิริยาบถในแต่ละกิจกรรมที่เราทําเราทําด้วยความรู้เนะื้อรู้ตัวสาหรับหลายคนมันไม่ให้เรื่องสาคัญนะจะวางร่มไว้ตรงไหนหรือว่าจะนึกออกหรือไม่แต่สาหรับผู้ที่ ตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยมันนี่คือการบ้านนะแล้วมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาผูกติดอยู่กับรูปแบบนะไม่ผูกติดอยู่กับการนั่งหลับตาการเดินจงกรมการยกมือนะและบางทีก็เถียงกันว่า14จังหวะหรือ15จังหวะ อันนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญสาระส ำ, สำคัญคือว่าไอ้ตอนที่ทำนะรู้ตัวหรือเปล่าและก่อนที่จะพาตัวมาเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมีสติหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนที่พาตัวมาที่ลานจงกรมเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวใจลอยวางรองเท้าไว้ตรงไหนังไม่รู้เลยถอดรองเท้าไว้ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยคิดว่าจะจะมาเจริญสติเอาตรงที่ทางเดินจงกรมหรือว่า ตรงบอกเมื่อมานั่งสร้างจังหวะอันนั้นมันไม่เลยเมียเรใหม่พอนะมันต้องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมาที่ลานจงกรมแล้วหรือว่าถ้าจะภาไปก็อย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนั่าตื่นนอนขึ้นมาเลยนะก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวแต่แน่นอนนะ้นใหม่ๆนันก็หลงเป็นส่วนใหญ่นะ ทงวนเนี่ยลืมเน้ลื ม, ล ม, ลมตัวเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ตื่นนอนก็ใจลอยไหลไปโน่นไหลไป น, ไปนี่จะนึกจะจําอะไรได้มันก็น้อยแค่จำทึงว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเชา้าบางทีก็นึกไม่ออกเลยเพราะว่าไอตอนที่กินมันใจลอยคิดโน่นคิด น, ด น, ดนี่แต่ว่า อันนั้นก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าเราเมื่อรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันรวมไปถึงการที่เรามีความสุขตัวในการกระทําต่างๆเราก็พยายามทําไปเรื่อยเรื่อยทไปเรื่อยเื่เตือนเตือนใจอยู่เสมอนะกับการทําสิ่งเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ใจลอยไปกับอะไรก็ไม่รู้นะครที่เรากินอาหารนะครที่เราอาบน้ําะครับที่เราทูฟัน มาเตือนตัวอยู่เรื่อยๆมันก็จะเกิดมีความรู้สึกตัวมีสติทีถีแล้วก็ต่อเนื่องตัวกระทั่งแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะเราก็ไม่ทำด้วยความหลงความลืมมันเป็นไปเองนะมันกลายเป็นธรรมชาติหรือนิสัยของเรานะอันนี้เป็นเพราะเราเห็นว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มันยุ่งยากซับซอ้อนหรือไปติดที่รูปแบบหรือว่าไปเน้นที่การท่องจาสับแสงนะอธิบายปฏิจจสมุปบาทได้อย่างคล่องแคล่วแต่ว่าในวิประจำวันก็ลืมเนื้อลืมตัวนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ดูเหมือนไม่สลักสำคัญและถ้ากิว่าเรา เข้าใจการปฏิบัติธรรมแล้วก็ใส่ใจเนี่ยเราก็จะมีความละเอียดละออมากขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำอะไรด้วยความสึกตัวรวมทั้งรู้จักทากิจพวกคู่ไปกับการทำจิตต่อไปเนี่ยเราก็รู้จักวิธีที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่มัน เกิดขึ้นหรือผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเวลาเจองานหนักเจอเรื่องยากนะหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทำให้เราท้อแท้ไ ม, ไ, ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใจมันบนเวรอยตีโพยตีพายเนี่ย น, น้อยก็เห็นนะเห็นความรู้สึกเห็นอาการของใจที่มันบน อยู่วัจริงๆนะคือเรู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนหลวงพ่อคำเฉียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะเรื่องการเปลี่ยนนะเปลี่ยนความทุกเป็นความไม่ทุกเปลี่ยนเป็นความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงอันนี้สําหรับคนที่ใหม่กับการปฏิบัติจาจจะรู้เสือเป็นเรื่องยากแต่ว่าเราถ้าเราเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเสือมันไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยให้กลายเป็นไม่เป็นไรนะไม่ไหวไม่ไหว งานมันหนักปฏิบัติมันเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวเปลี่ยนเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากาศมันหนาวหนาวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นไม่เป็นไรซะหรือว่าเพื่อนที่เขาไม่รับผิดชอบโยนงานไม่ให้เราหรือว่าการกระทำคำพูดของเขานี่มันกระทบใจจนกระทั่งเกิดความรู้สึก ทุกเกิดความไม่พอใจไม่ไหวไม่ไหว เ, เปลี่ยนเป็นไม่เป็นไรบ้างนะถ้าเราจักฉลาดนะหรือขยันในการเปลี่ยนนะจากไม่เป็นไรอาจจกไม่ไหวไม่ไหวเป็นไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้นก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยใจที่ไม่ถูกนะเราอย่าไปคิดแต่จะเปลี่ยนข้างนอกหรือจะไปวิงวอนให้ เหตุการณ์ข้างนอกมันแปลเปลี่ยนไปอยากใช่ให้มันหายหนาวไวๆอยากใะให้มันไม่ร้อนอยากใะให้คนเขาพูดดีกับเรานมันเป็นความหวังหรือว่าการเรียกร้องที่สูนเปล่านะเพราะว่าบางทีเราก็ทาอะไรไม่ได้แต่ที่จริงจะพูดว่าทาอะไรไม่ได้ก็ไม่ถูกนะเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ไม่ได้แต่ว่าเรา เปลี่ยนความรู้สึกภายในได้จากว่าไม่ไหวไม่ไหวเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รวมถึงไอ้ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติด้วยนะบางทีมันก็ไม่ถูกใจเราไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วต่อไปเนี่ยเจออะไรที่ไม่ชอบเนี่ยนะเราก็ฝึกให้เปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นชอบซะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําได้นะเพราะถ้าเราปล่อยให้ความไม่ชอบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทุกข์ไอ้ความไม่ชอบเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับเราดงกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบซะอีกนะไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันไม่สร้างความทุกข์ให้กับเรามากเท่ากับความไม่ชอบนะที่มันอยู่ในใจเราแต่พอเราเปลี่ยนจากความไม่ชอบเนี่ยเป็นความชอบนะโอ้มัน ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเลยนะอย่างเมื่อ 60-70 ปีก่อนเนี่ยนะมันมีนักบินอวกาศชาวรัเสเซียนะเป็นคนแรกเลยนะที่เป็นมนุษย์คนแรกที่นะอยู่บนอวกาศนะโคจรรอบโลกก่อนอเมริกาเสียนะรัเสเซียเนี่ยเขานำหน้าอเมริกาในเรื่องของ การส่งมนุษย์ไปโคจรรอบโลกในอวกาศในช่วงที่อยู่ในอวกาศอยู่ในยานอาวกาศเนี่ยทีแรกก็สงบดีนะมันเพลินเห็นโลกข้างล่างเนี่ยสวยงามรอบตัวก็สงบเพราะว่าเครื่องโดนเครื่องอย่างก็ดับแล้วแต่จู่ๆมันมีเสียงดังเหมือนกับเสียงเหล็กกระทบกัน มันทําให้ความเงียบสงัดนี่มันหายไปเลยนะแล้วเขาก็พยายามหานะว่าไอ้เสียงเหล็กกระทบกันเนี่มันดังอยู่ตรงไหนแล้วเสียงมันก็ชวนให้ลาคาญมากขึ้นเรื่อยๆโดือเพราเขาอยู่ในในห้องนักบินที่มันแคบมากจะหนีเสียงนั้นก็ห น, นีไม่ได้จะดับเสียงนั้นก็ไม่รู้จะดับยังไงเพราะมันไม่รู้อยู่ตรงไหน เสียงมันดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนกระทั้นเขาสึกลำคาลและจากความลำคาลกลายเป็นความหงุดหงิดแล้วเขาคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้ามันดังอีกสักชั่วโมงนี้ฉันบ้าแน่ๆเลยและยิ่งผักสายมันยิ่งรังเกียจมันนะเสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งรบกวนจิตใจเขามากขึ้นแต่จู่ๆเขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยในเมื่อเสียงจะต้องอยู่กับเราไปจนกว่าเราจะกลับสู่พื้นดิน ทำไมเราไม่ลองชอบเสียงนี้ดูในเมื่อมันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานหลายชั่วโมงเนี่ยทำไมไม่ทําใจชอบเสียงนั่นดูแล้วเขก็หลับตานะแล้วจินตนาการว่าเสียงเนี่ยเสียงเรียก็ระทบกันมันเป็นเสียงเหมือนกับเสียงดนตรีเขาจินตนาการเสียงดนตรีนะอยู่พักนึงเลยนะพอก็ลืมตาขึ้นมา บอกว่าเสียงเหล็กกระทบกันมันหายไปแล้วมันมีแต่เสียงดนตรีที่จริงเสียงเหล็กกระทบกันไม่ได้หายนะแต่ว่าความสื่อมเขาเปลี่ยนไปทางหางนะคือเขาพอเขาเปลี่ยนใจมาชอบเสียงนั้นนะมันก็ไม่ได้เป็นเสียงที่กรีดแทงใจหรือว่ารบกวนจิตใจให้ต่อไปแล้วเขาก็อยู่เสียงนั้นจนกระทั่งกลับคืนสู่พื้นโลกนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่รู้จักเปลี่ยนนะความไม่ชอบให้อะไรที่ไม่ชอบให้กลายเป็นความชอบนะเราไม่ชอบใจเรื่องอะไรเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นความชอบใจได้หรือเปลี่ยนใจให้ชอบได้แต่ที่จริงคาว่าชอบเนี่ยมันมีความหมายมากไปกว่าที่เราเข้าใจนะแม้กระทั่งสิ่งที่เราชอบเนี่ยบางทีมันก็ เป็นโทษเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความยึดติดและในทางการและเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราต้องฝึกใจให้เป็นปกตินะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ให้รู้ทันแล้วปรับใจใเป็นปกตินะไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่เรียกว่าอยู่เหนือความพอใจและความไม่พอใจ อาที่เราสวดกันเนี่ยถอนความพอใจและความแม่พอใจในโลกออกเซตได้น่นแนะบางทีเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนนะอะไรจากความชอบใจเปลี่ยนมาเป็นการทำใจให้ชอบควาว่าชอบเนี่ยความหมายนึงก็คือถูกต้องนะอย่างคิดชอบนะทชอบเนี่ยปฏิบัติชอบเนี่ยชอบในที่นี้คือถูกต้องนะเป็นปกติ มันไม่เหมือนกับคําว่าชอบอีกความหมายเนื้อคือเกิดความเพลิดเพลินจนหลงไหลนั้นนะถ้าว่าเรารู้จักเปลี่ยนนะจากสิ่งที่ใจไม่ชอบให้กลายเป็นใจชอบเนี่ยคือเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแทนแต่มันก็ยังไม่พอนะเราต้องเปลี่ยนจากความยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นความรู้สึกเป็นปกตินะ เป็นกลางๆทาใจให้เป็นกลางกับสิ่งนั้นอันนี้คือความหมายอีกความหมายหนึ่งของว่าชอบเนี่ยเราชอบใจเรื่องอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นทำใจให้ชอบเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยวันนี้พอเราฟังพอเรากินเนี่ยใจมันก็เพลิดเพลินเกิดความชอบขึ้นมาบางทีถึงกับติดอกติดใจ แล้วพอการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ดีพอนะมันต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นความปกติหรือว่าทำใจใเป็นกลางนะทำใจใเป็นกลางนี่ก็เรียกว่าทำใจให้ชอบนะก็คือว่าถูกต้องนะเป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงในการที่เราฝึกให้รู้จักรู้สื่อเนี่ยรู้สื่อเนี่ย ก็คือการทำใจใเป็นกลางกับสิ่งต่างๆนะแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่เพลิเพลิไม่หลงไหลคือไม่ชอบใจไม่ได้ปล่อยใจให้ชอบแต่อแต่ว่ารักษาใจใเป็นปกติเราต้องมารู้จักนะกับความชอบแบบนี้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยแม้จะเจอสิ่งที่ใจชอบเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนให้กลายเป็นชอบอีกแบบหนึ่งนะ คือการชอบที่มันถูกต้องที่เป็นกลางนะเรียกว่าวางใจชอบคิดชอบอันเนี้ยมันต้องอาศัยการมีสติมีความรู้สึกตัวคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าพอเจออะไรที่ชอบนี่ก็หลงไหลยึดติดเกิดความติดอกติดใจแต่อะไรที่ไม่ชอบก็รู้สึกขัดอกขัดใจอ ย, อยากผักใส ถ้าเราหักว่าอะไรที่ไม่ชอบเรารู้สึกขัดใจผักใส่เนี่ยมันก็ยากนะที่เราจะไม่เกิดความติดอกติดใจในสิ่งที่มันตรงข้ามนะเวลาคนชื่นชมสารเสรืเราก็ชอบใจอ่าแต่ว่าพอคาชื่นชมสารเสรือมันกลายเป็นคำตาหนิเราทุกเลยนะแต่ถ้าว่าเรารู้จักเปลี่ยนนะความชอบใจนะเป็นการทำใจให้ชอบนะทำใจให้ชอบคือ ใจเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สึกเป็นกลางๆงแม้จะเป็นคำชมคำสารสวยความสําเร็จความเม็ดอร่อยก็แค่รับรู้ดูมันเฉยเฉยรู้สึกเป็นกลางกับมันนี่คือการปฏิบัตินะที่เราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจําวันและต่อไปเนี่ยการที่เราจะกล้าวไปสู่เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นความไม่หลงนี่มันก็ จะง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันต้องอาศัยพลังของสติและความรู้สึกตัวรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันความโกรวที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันความหลงที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดซึ่งมันจะรู้เท่าทันได้ไวเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกสติอย่างต่อเนื่องทําความรู้สึกตัวอยู่เสมอในชั่วประจําวันไม่ใช่เฉพาะเวลาเราสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือทําในรูปแบบแต่ว่าเราฝึกใน ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยนะในชีวิตประจาวันไม่ว่าทากิจก็ไม่ละเลยแต่ก็ไม่ได้ทากิจอย่างเดียวทาจิตด้วยการมี ส, สติความนะรู้ตัวนะรู้เรู้ตัวอยู่เสมอแล้วรู้จักเปลี่ยนนะอย่างที่ว่าเนี่ยอะไรที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนให้มาชอบนะจากเดิมที่เป็นชอบใจก็เป็นการทำใจให้ชอบใจใจเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลง ไม่บวกไม่ลบเป็นกลางๆอันนี้แหละที่ทำให้การเปลี่ยนทุกเป็นความไม่ทุกนะเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความเมินกายเป็นความไม่หลงนี่มันมันเป็นไปได้